เก้าจำปยะขันธกะสองร้อยสามสิบสี่กัปะโคตตะพิกขุวัตถุว่าด้วยพระกัสปะโคตเรื่องพระกัสปะโคตผู้อยู่ประจำในอาวาสณวาสภะคามสามร้อยแปดสิบสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบกขรณีชื่ออักขราเขตกรุงจำปาครั้งนั้นในแคว้นกาสีมีหมู่บ้านชื่อวาสภาคามภิกษุชื่อกัสปะโคตอยู่ประจำในอาวาสในที่นั้นฝักใยกังวลอยู่ขวนขวายอยู่ว่าด้วยวิธีใดหนอภิกษุผู้มีศีลดีงาม ที่ยังไม่มาพึงมาและภิกษุผู้มีศีลดีงามที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุขและอาวาสนี้จะเจริญงอกงามไพยบู์ได้สมัยนั้นภิกษุจำนวนหลายรูปเที่ยวจาริกไปในแคว้นกาสีจนถึงวาสภาคามภิกษุ ก, กัดสปะโคตได้เห็นภิกษุเหล่านั้นเดินทางมาแต่ไกล จึงปูอาสนะตั้งน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าลุกไปรับบาทและจีวรต้อนรับด้วยน้ำดื่มจัดแจงน้ำสงแม้ข้าวต้มของเคี้ยวพัตตาหารก็จัดแจงให้ครั้งนั้นภิกษุอาคันตุ ก, กะเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าท่านทั้งหลาย ภิกษุอยู่ประจาในอาวาดรูปนี้ดีจริงได้จัดแจงน้ำสงแม้ข้าวต้มของเคี้ยวพัตตาหารก็จัดแจงให้เอาเถอะพวกเราพักอยู่ในวาสพคามนี้แหละภิกษุอาคันตุ ก, กะเหล่านั้นได้พักอยู่ในวาสพคามนั้นเองต่อมาภิกษุกัสสะโคดได้มีความคิดดังนี้ว่า ภิกษุอาคันตุกะเหล่านี้ไม่ต้องลำบากในฐานะที่เป็นพระอาคันตุกะเวลานี้ภิกษุอาคันตุกะเหล่านี้ที่ไม่ชำนาญทางโคจรก็ชำนาญแล้วการทำความจัดแจงในตระกูลคนอื่นจนตลอดชีวิตทำได้ยากอันหนึ่งการออกปากขอย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลายอยากระนั้นเลย เราไม่พึงจัดแจงข้าวต้มของเคี้ยวพัตตาหารแล้วเลิกจัดแจงข้าวต้มของเคี้ยวพัตตาหารลำดับนั้นภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายเมื่อก่อนนี้ภิกษุที่อยู่ประจาในอาวาดรูปนี้จัดแจงน้ำสงแมเข้าวต้มของเคี้ยวพัตตาหารก็จัดแจงให้ เวลานี้ภิกษุที่อยู่ประจําในอาวาดรูปนี้ไม่จัดแจงข้าวต้มของเคี้ยวพัตนาหารแล้วท่านทั้งหลายบัดนี้ภิกษุที่อยู่ประจําในอาวาดรูปนี้ไม่ดีเสียแล้วเอาเถอะพวกเราจงลงอุกเขปนียกรรมภิกษุที่อยู่ประจําในอาวาดรูปนี้ออกไปครั้งนั้นภิกษุอาคันตุ ก, กะเหล่านั้นประชุมกัน ได้กล่าวกับภิกษุกัสสปะโคดนั้นดังนี้ว่าท่านเมื่อก่อนท่านจัดแจงน้ําสงแม้ข้าวต้มของเคี้ยวพัตนาหารก็จัดให้เวลานี้ไม่จัดแจงข้าวต้มของเคี้ยวพัตนาหารเสียแล้วท่านต้องอาบัตแล้วท่านเห็นอาบัตนั้นไหมภิกษุกัสสปะโคดกล่าวว่าท่านทั้งหลาย ผมไม่มีอาบัตที่พึงเห็นครั้งนั้นพวกภิกษุอาคันตุกะได้ลงอุเขปนียกรรมภิกษุกัสปะโคดเพราะการไม่เห็นว่าเป็นอาบัตลำดับนั้นภิกษุกัสปะโคดได้มีความคิดดังนี้ว่าเราไม่รู้เรื่องนี้ว่านั่นเป็นอาบัตหรือไม่เป็นอาบัตเราต้องอาบัตหรือไม่ต้องอาบัต เราถูกลงอุเขปนียกรรมหรือไม่ถูกลงอุเขปนียกรรมด้วยกรรมที่ชอบทรรมหรือไม่ชอบทรรมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องควรแก่เหตุหรือไม่ควรแก่เหตุอย่ากระนั้นเลยเราพึงเดินทางไปกรุงจำปาแล้วกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเกี่ยวกับเรื่องนั้นครั้งนั้นภิกษุ ก, กัสปะโคต เก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรเดินทางไปกรุงจำปาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควร